ส่วนท่านที่ตึงเป็นอาจินเป็นอาชีพเลยนะก็ต้องแก้ไขโดยการไม่เหลือบตามมองไปที่กลางกายฐานที่เจ็ดให้ลูกเดตตาเนเหลือบช้อนขึ้นไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ปล่อยลูกเดกตาเป็นปกติ ทำความรู้สึกณจุดที่เราสบายจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋จะนึกอย่างสบายๆประคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปหรือจะเริ่มต้นจากภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้เหมือนอย่างทุกๆวันนั่นแหละแต่ต้องเป็นภาพที่นำมาซึ่งความบริสุทธ พุทธพงของใจเรานะจ๊ะอย่าให้เป็นภาพที่นำมาซึ่งความกดอันหนัดยินดีในการความขุ่นมัวขาดเคืองใจและคิดจะเบียดเบียนเขาให้เป็นภาพที่ยกใจให้มันสูงขึ้นเช่นภาพดงแก้วองค์พระคุณยายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพัดปักน้ำเป็นต้นบริจาภาพ พลละหมากหลากไม้ที่เราค้าขายก็ได้ปล่อยผมก็ได้เอาอย่างเดียวทีนี้เมื่อทําไปเรื่อยๆบางท่านภาพนิมิตเกิดเกิดเป็นเครื่องเป็นราวก็มีไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มนะีถ้าภาพเกิดมาถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็ดูเฉยเฉย แต่อย่าไปมีอารมณ์ร่วมอย่าไปมีคำถามในใจเอ๊ะอะไรจริงหรือไม่จริงมาจากไหนมาทำไมมาอย่างไรอย่าไปตั้งคำถามเลยจ้ะมันเป็นภาพในมิตรเลื่อนลอยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใจเริ่มหยุดเริ่มนิ่งในระดับหนึ่ง แต่ว่ายังไม่ใช่ของจริงของจังอะไรนะไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบให้ดูไปเฉยๆดูละไม่ชี้ดูอย่างเดียวอย่าไปมีอารมณ์ร่วมด้วยดูธรรมดาธรรมดาได้ใจแต่เป็นปกติไม่มีอารมณ์ยินดียินไลยเลยนะ อารมณ์เป็น ก, นกลางเฉยๆจะเป็นคนเป็นสัตว์หนึ่งสิ่งของหรืออะไรก็ตามดูไปเฉยๆเพราะว่าเรายัางเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ยังไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ว่ามันเป็นอะไรมีนาทีดูอย่างเดียวคนสัตว์สิ่งของ เป็นเรื่องเป็นราวก็มีเนะี่ยเป็นภาพนระกก็มีภาพสวรรค์ก็มีสำหรับบางท่านนะจ๊ะบางท่านไม่ใช่ทุกท่านถ้าเกิดขึ้นเราก็ดูเฉยเฉยหรือเป็นภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือสิ่งยังมาไม่ถึงในอนาคตก็าตามมันยังไม่ใช่เป็นจริงเป็นจังอะไรเนะี่ยเราดูเฉยเฉย ดูไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนดูภาพยนตร์ดูทิวทัศน์อย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าเราได้ก้าวหน้าม า, มาในระดับหนึ่งแล้วสมาร์ทที่ก้าวหน้ามาในระดับที่ภาพมันเกิดแปลว่ามันเป็นนิมิตเลื่อนลอยดูไปเฉยๆดูไปสบายๆแล้วเดี๋ยวภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเองเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของภาพ โดยไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรใจให้จืดสนิทอย่าให้มีความยินดียินไล่ยอยากรู้อยากเห็นอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างเฉยๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงภาพสุดท้ายที่ใจเรามีความรู้สึกมั่นคงนิ่งสนิทใจใส่สบริสุทธ ใจใสๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะแต่เราไปติดภาพนิมิตเลื่อนลอยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะอยู่แค่นั้นมันไม่ไปไหนยิ่งไปสนใจมันมากเขาเดี๋ยวดับหายไปเลยเพอหายไปเราก็จะเสียดายกันเหมือนอีกเพราะฉะนั้นให้เฉยๆรู้ทำเป็นไม่ชี้ ทำเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลนะดูไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศนะจ๊ะเหมือนเรานั่งรถดูทิวทัศน์ดูท้องฟ้าดูหมู่เมฆภูเขาต้นไม้ผู้คนแม่น้ําทะเลอะไรอย่างนั้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นสําคัญตรงนี้แหละโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นถ้าทําได้อย่างนี้เดี๋ยวจะดีจ้า จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆและก็เหมือนทุกวันก็คือง่วงก็ปล่อยให้มันหลับในกลางเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตามาดูคุณยายในภาพดูหลวงปู่ในภาพดูดวงแก้วองค์พระใสๆพะใจสบายแล้วก็หลับตาใหม่ค่อยๆหลีตาลงไป หรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเี่ยจะพบแสงสว่างภายในในพบดวงธรรมพบกายภายในพบองค์พระเนะจีจะต่างคนต่างทำกันไปเบียบๆไปลุกนะ